ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งนาที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุด ชีวะกับซารีละเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับซารีละเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอี ก, ห, ก, ก, อกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชฌะเพราะความไม่รู้ในรูป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 วัดชานี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตว่าจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่รูปะอัญญานสูตรที่หนึ่งจบ 2. เวทนาอัญญานสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในเวทนาห0 8้อเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชโคตรปริพาชกนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญ อ, อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่า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 หรือหลังจากตายแล้วตะถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เวทนาอัญญาสูตรที่สองจบ 3. สัญญาอัญญาสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในสัญญา609้เ60เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี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 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัจจะเพราะความไม่รู้ในสัญญาเพราะความไม่รู้เหตุเกิดแห่งสัญญาเพราะความไม่รู้ในความดับแห่งสัญญาเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งสัญญาทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้จึงเกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง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 สัญญาอัญญานสูตรที่สามจบสี 4. สังขาระอัญญานสูตรว่าด้วยความไม่รู้ในสังขารห1 0้อยสิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชโคตรปริภาชกนั่งนาที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 หรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชาเพราะความไม่รู้ในวิญญาณเพราะความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งวิญญาณเพราะความไม่รู้ในความดับแห่งวิญญาณเพราะความไม่รู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ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 หรือหลังจากตายแล้วตะถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่วิญญาณะอัญญานสูตรที่ห้าจบหกถึงสิบรูปะอัธสนาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตร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 โลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัตจะเพราะความไม่เห็นในรูปเพราะความไม่เห็นในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจะเพราะความไม่เห็นในเวทนา เรื่องเก João, ิดขึ้นที是是่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นในสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นในสังขารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นในวิญญาณเพราะความไม่เห็นในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณรูปะอัฏนา ทิสุตตะปัญจกะที่หถึงสิบจบ11ถึงส5หรูปะอนะพิสมายาทิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปอนะพิสมายาสูตรเป็นต้นห1ร้อยสิบเจ็ด ถึง621ยเอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าวัจจะเพราะความไม่รู้แจ้งในรูปความไม่รู้แจ้งในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้แจ้งในเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะ เพราะความไม่รู้แจ้งในสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้แจ้งในสังขารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้แจ้งในวิญญาณรูปะอนัพพิสมะยาที่สุตตะปัญจกะที่1 1ถึงจบ สิถึงรูปะอนุโพธาที่สุดตับปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอนุโพทสูตรเป็นต้นห2 2้อยถึงรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชโคตรปริพาชกนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ถ่าแต่พระโคโดมผู้จเจริญอะไรเนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัจชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในรูปเพราะความไม่รู้เท่าทันในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในเวทนา เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้เท่าทันในสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้เท่าทันในสังขารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจะเพราะความไม่รู้เท่าทันในวิญญาณเพราะความไม่รู้เท่าทันในปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ รูปะอนุโพธาที่สุดตับปัญจกะที่ 16-20 ยสิบจบ 21-25 รูปะอปติเวทาที่สุดตับปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปอันปฏิเวทสูตรเป็นต้นห2 7้3 1เอด เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชโคดปริภาชกทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่แทงตลอดในรูปเพราะความไม่แทงตลอดในวิญญาณรูปะอปติเวทาที่สุตตะปัญจกะ ที่21ถึง25จบ26ถึง30รูปะอาศัลลักคณาที่สุดตับปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปอาศัลลักษณะสูตรเป็นต้น632ถึง636 เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชาเพราะความไม่กำหนดในรูปเพราะความไม่กำหนดในวิญญาณรูปอสัลลักษณนาที่สุดตับปัญจกะที่26ถึง30จบ31สถึง35ห้า รูปะอนุปักคณาที่สุตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปอนุปักษณะสูตรเป็นต้น637เถึง6 4รเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เข้าไปกำหนดในรูปเพราะความไม่เข้าไปกำหนด ในวิญญาณรูปอนุปลักษณาที่สุดตับปัญจกะที่ 31-35 ถึงจบ 36-40 ถึงรูปปาอปัจจุปลักษนาที่สุดตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูป ปัจจุปลัลกษณะสูตรเป็นต้น6กร้อยสี่ถึงหกรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัจจะเพราะความไม่เข้าใจไปกําหนดเฉพาะในรูปเพราะความไม่เข้าใจไปกําหนดเฉพาะในวิญญาณรูประอปัจจุปลัลกษณาที่สุดตะปัญจกะที่สาม ถึงส0จบ41ถึง45รูปป่ารูปะอสมะเปกขณาที่สุดตับปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปอสมะเปกขณะสูตรเป็นต้นห4 7้อถึงห5 1เอด เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เพ่งในรูปเพราะความไม่เพ่งในวิญญาณรู ป, ปะอสมะเปกกะนาทิสุตตะปัญจกะที่ 41-45 จบ 46-50 รูปะอ ป, ปัจจุเปกักขณาที่สุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปอ ป, ปัจจุเปกขณะสูตรเป็นต้นห5 2้อห้าถึง656้หเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัจจะเพราะความไม่เข้าไปเพ่งเพราะในรูป เพราะความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะในวิญญาณรูปอปัจจุเปกนาที่สุตตะปัญจกะที่ 46-50 หจบ 51-54 รูปะอปัจจกะกา ม, มาทิสุตตะจตุกะว่าด้วยพระสูตรสี่สูตร มีรูปอปัจจคกะก ร, รมมะสูตรเป็นต้นห5 7้อยสเถึงรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัดถีครั้งนั้นวัชโคตรปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปรสาสัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญ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 เพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งรูปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเวทนาเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในสัญญาเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับ แห่งสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจจาเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในสังขารเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารรูปะอปปจกะกรมาทิสุตตะจะตกกะที่ห้าิบเอ็ดถึงห้าสิบสจบ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 วิญญาณอัปั จ, จัก ะ, ะกัมมะสูตรที่55จบด้วยการรวบรวมเข้าเป็นหมวดเดียวกันจึงมีพระสูตร55สูตรวัชโคตสังยุตจบรวมพระสูตรที่มีในสังยุต t นี้คือ 1. รูปะอัญญานสูตร 2. เวทนาอัญญานสูตร 3. สัญญาอัญญานสูตร 4. สังขารอัญญานสูตร วิญญาณอัญญาณสูสตรกถสรูปะอัทศนาที่สุดตะปัญจกะ 11-15 รูปอนัพพิสมะยาที่สุดตะปัญจกะ 16- บหยสบรูปอ น, นันพโธธาที่สุดตะปัญจกะ 21- 25รูปอัปติเวทาที่สุดตะปัญจกะ 26-30 รูปตะซัลละรักษณาที่สุดปัญจกะ 31-35 รูปะอนุปลักษณาที่สุดปัญจกะ 36-40 รูปะอั ป, ปัจจุปลักษณาที่สุดปัญจกะ 41-45 รูปาอสมะเปกัคนาที่สุตตะปัญจกะ 46-50 รูปอาอปัจจุเปกัคนาท่สุตตะปัญจกะ 51-54 รูปอาอปัจจคะกัมมาท่สุตตะจตุกะ55วิญญาณะอปัจจคะกัมมสูตร